ก็พลาดตั้งแต่ต้นไม่ได้รู้จักและไม่มีทางถึงพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทุกนี้เป็นอริยศัสตร์ข้อแรกจึงควรจะแม่นที่สุดถ้าจะให้ง่ายก็ท่องคำบาลีติดลิ้นไว้เลยว่าทุกขังอริยสัจจังปรินยยังแปลว่าทุกขะ อ, อริยสัจพึงปริญญาเป็นนว่า ก, กิจหรือหน้าที่ของเราต่อทุกคือ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 จึงเรียกว่าการมาสุขเมื่อพัฒนาความสุขก็คือจะมีความสุขที่เหนือกว่าสูงกว่าดีกว่านี้ขึ้นไปที่ต่างหากหรือต่างออกไปจากการมาสุขนั้นซึ่งไม่ได้ความสุขนั้นแล้วจะมีคู่กันพร้อมไปด้วยกับการมาสุขหรือจะอยู่กับความสุขที่ดีกว่าประนีตกว่านั้นอย่างเดียวโดยเลิกหรือทิ้งการมาสุขซะเลยก็สุดแต่พอใจเลือกลักษณะสาคัญของความสุขที่พัฒนาสูงขึ้นไปนั้น